คอลัมน์เขียนคนให้เป็นเทวดาตอนที่6วิธีสร้างจุดยืนให้ตัวเองบทนี้เราจะเป็นรอยต่อระหว่างบทที่ผ่านมากับบทที่เหลือกล่าวคือบทที่ผ่านมาพูดถึงหลักการทั่วไปที่ทำให้คุณเริ่มเดินก้าวแรกๆเข้าสู่โลกของนักเขียนส่วนบทที่เหลือชี้ว่าจะสร้างอนาเขตเฉพาะตัวได้อย่างไรในโลกของนักเขียนที่คุณเพิ่งเข้ามาถึง เพื่อที่จะมีจุดยืนของตัวเองคุณต้องเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ตรงไหนไม่ใช่คอยแต่วิ่งไล่จุดยืนของคนอื่นแน่นอนคุณมีสิทธิ์เงยหน้ามองหาอนาคตที่สูงขึ้นเหนือหัวแต่จะทำเช่นนั้นได้คุณจำเป็นต้องก้มลองมองดูปัจจุบันอันเป็นพื้นให้เท้าเหยียบยืนเสียก่อนหากคุณผ่านการฝึกออกตัวและฝึกร่อนทองมาหลายครั้งอย่างน้อยที่สุด คุณจะรู้แล้วว่าตัวเองอยากเขียนอะไรบ้างและสามารถเขียนอะไรได้ดีบ้างซึ่งจากตรงนั้นคุณจะบอกตัวเองถูกว่าเท้าของคุณหยียบยืนอยู่ตรงไหนได้ถนัดที่สุดแรกๆเรื่องถนัดของคุณอาจไม่เกี่ยวกับธรรมะจะเป็นศิลปะดนตรีการครัวการท่องเที่ยวการเมืองเทคโนโลยีหรืออะไรอีกหลายๆอย่างก็ช่างเถอะเพราะไม่ว่าคุณถนัดเขียนถึงสิ่งไหน ถ้าสิ่งนั้นยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกความเป็นจริงในทางใดทางหนึง่งคุณย่อมเขียนถึงสิ่งที่ถนัดมาเชื่อมโยงเข้ากับธรรมะได้อย่างแน่นอนเพราะธรรมะคือความจริงของทุกสิ่งทุกสิ่งจริงต้องเข้าหาธรรมะได้เสมอต่อไปนี้คือหลักการเขียนให้เกิดจุดยืนของตัวเองถ้าคุณบอกว่าชีวิตตัวเองไม่มีจุดยืนก็อาจใช้กลวิธีการเขียนดังต่อไปนี้ เพื่อหาจุดยืนให้เจอก็ยังได้ 1. อย่าเขียนในสิ่งที่ไม่รู้พูดง่ายๆคืออย่าคิดเองเออเองแต่คิดอย่างมีหลักมีฐานมีเหตุผลมีมรดกทางความรู้รองรับดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านั่นแหละครับว่าถนัดอะไรก็เขียนถึงสิ่งนั้นก่อนถ้าจำเป็นต้องเขียนถึงสิ่งที่ไม่รู้ก็ขอให้พึ่งพาอินเทอร์เน็ตสารานุกรมผู้เชี่ยวชาญใกล้ตัว หรือใครสักคนที่เชื่อได้ว่ารู้ดีกว่าคุณอย่าเพาะนิสัยมั่วนิ่มการนั่งเทียนเขียนเพียงครั้งเดียวอาจกลายเป็นสไตล์การเขียนถาวรของคุณไปทั้งชีวิตได้เพราะคนเรามาเคยชินกับความมักง่ายได้สะดวกที่สุดความจริงคุณคงไม่ประหลาดใจเมื่อเห็นใครพูดหรือเขียนถึงสิ่งที่เขาแทบไม่รู้อะไรเลยแต่ก็อุตส่าห์อยากแสดงให้ใครๆเห็นว่าเขารู้ และยิ่งเมื่อคุณคลุกคลีกับวงการธรรมนานขึ้นเท่าใดคุณก็จะยิ่งเห็นสัจธรรมข้อนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนคนหนึ่งสามารถชูคอทำตาโตอาปากกว้างชูฟอด้วยความมั่นใจว่าตนเองรู้ดีในธรรมะข้อต่างๆและพร้อมทำตัวเป็นผู้พิภาคษาชี้ว่าคนโน้นถูกตัดสินว่าคนนี้ผิดโดยมีตนเองอยู่เหนือกว่าทั้งคนถูกและคนผิด ที่จะไม่ถล่เข้าไปเป็นสหายของมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าวคุณต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกด้วยการให้สัญญากับตนเองว่าถ้าไม่รู้จะไม่เขียนและจะยิ่งดีถ้าในชีวิตประจำวันของคุณก็ถือคติเดียวกันคือไม่รู้บอกว่าไม่รู้เมื่อรู้แล้วค่อยบอกว่ารู้ความรู้ยังแยกออกเป็นสองประเภท 1. คือจาเข้ามาสอง คือรู้ด้วยตนเองแม้คุณไม่อาจอ้างอิงได้ทั้งหมดว่าอันไหนจำเข้ามาอันไหนรู้ด้วยตนเองอย่างน้อยก็ขอให้ระลึกทุกย่อหน้าทุกประโยคว่าคุณรู้จริงจากทางไหนคุณจะทราบชัดขึ้นเรื่อยๆว่าการเขียนธรรมะทำให้หลงเข้าใจผิดนึกว่ารู้จริงด้วยตนเองไปหมดต่อเมื่อมันระลึกไว้เรื่อยๆไม่ขาดสายว่าอันนั้นรู้เองอันนี้จามา ความยิงธนงผิดผิดเพี้ยนเพียนก็จะลดดีกรีลงหรือหายศูญย์ไปเสียได้ 2. อ, อย่าเขียนทุกสิ่งที่รู้การเขียนทุกอย่างที่รู้นั้นหาได้ทำให้คนอื่นชื่นชมว่าขุณรู้มากก็ไม่ผลของการรู้อะไรแล้วพูดหมดอย่างเบามักโดนมองว่าอวดรู้น้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงแหร ง, รงหรือหนักกว่านั้นคือเป็นพวกปากไม่มีหูรูด แยกไม่ออกว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรเก็บไว้ขอให้ระลึกไว้ว่าคุณจะแสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนที่สุดผ่านการเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดดีที่สุดในความรู้สึกของคุณสิ่งใดสมควรพูดให้ถูกจังหวะมากที่สุดในเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งไม่มีใครพูดได้ทั้งหมดเท่าที่รู้หรือแม้ทําได้ก็ไม่มีคนฟังตามเก็บรายละเอียดได้หมดอยู่ดี บางคนประกาศจุดยืนของตนเองว่าข้าพเจ้ามีหลักการอย่างนี้มีอุดมการที่ต้องบรรลุให้ถึงอย่างนั้นทว่าพอฟังเขาพูดเข้าจริงกลับหาแก่นสารอะไรไม่เจอมีแต่เวียงแห я, กวาดทั่วไปหมดทั้งคุ้งน้ำต่อเมื่อหัดคิดออกมาจากรากเหมือนอย่างในบทก่อนและค่อยๆแตกแขนงความคิดออกมาจากรากแก้วอาการเวียงแห я, ก็จะลดลงจนกระทั่งหายไปในที่สุด กล่าวได้ว่าการหัดคิดเลือกเอาสิ่งที่รู้สึกว่าดีที่สุดมาเขียนก็คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของคุณและจุดยืนที่ชัดเจนก็จะกำหนดความเป็นนักเขียนของคุณในระยะยาวต่อไป3อย่าเขียนแค่สิ่งที่เคยรู้นิสัยเสียของคนเราประการหนึ่งคือพอรู้อะไรดีหรือทำสิ่งใดสำเร็จก็มักอยากหยุดพัฒ ไม่ขวนขวายใครหาอะไรใหม่เพิ่มเติมอีกต่อไปกลายเป็นคนย่ำอยู่กับที่หมดเรียลแรงเดินไปให้ไกลกว่าจุดที่หลงนึกว่าพอได้แล้วเมื่อเริ่มต้นด้วยการหัดมีจุดยืนของตนเองคุณจะรู้สึกว่าอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงไม่ล่องลอยไปกับวิมาในอากาศแต่ต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าจุดยืนไม่ได้หมายถึงจุดหยุดนิ่งกับที่ จุดยืนคือหลักการหรืออุดมการและจุดยืนที่บันดิตสรรเสริญก็คือการก้าวไปข้างหน้าหาความรุ่งเรืองหาความเจริญเติบโตหรือหาความเป็นที่สุดแห่งทุกเมื่อรู้เพิ่มได้ไม่สิ้นสุดก็เขียนเพิ่มได้ไม่สิ้นสุดการรู้เพิ่มอาจเกิดจากการอ่านงานของคนอื่นอาจเกิดจากการใคร่ครวญด้วยจินตนาภาพของตนเองตลอดจนอาจเกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยประสบการณ์ตรง ขอเพียงปลูกนิสัยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คุณจะมีสิ่งใหม่บนจุดยืนเดิมได้ทุกวันคุณไม่มีทางสดชื่นอยู่กับจุดยืนเดิมไปได้ทั้งชีวิตวันหนึ่งถ้าไม่คุณก็คนอ่านต้องเบื่อกันไปข้างฉะนั้นอย่ารอให้ความเบื่อหน่ายไล่ตามทันคุณต้องวิ่งหนีมันเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอให้จําไว้ว่าไม่มีใครมองเห็นจุดยืนของตนเองอย่างแจ่มชัดก่อนลงมือเขียน ทุกคนจะเห็นหลังจากเขียนคุณจำเป็นต้องเขียนอย่างสนุกมือซักระยะหนึ่งด้วยหลักการที่ไม่ง่ายไม่ยากสามข้อในบทนี้และเมื่อถึงเวลาที่คุณเห็นจุดยืนของตนเองแจ่มชัดก็จะพบว่าตรงนั้นไม่ใช่แค่จุดยืนในการเขียนแต่เป็นจุดยืนในการมีชีวิตของคุณเลยทีเดียวดังตริน จะมองจะย้อนดูตัวเรื่องราวมากมายแต่ประเด็นต่างคิดกันไปอาจไม่ลงตัวสิ่งที่เจอที่เห็นที่เป็นใช้เพียงแค่ร่างกายแต่มันมีคล้ายๆอะไรแอบเร้นซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกล้ำ เป็นพลังจะพูวใจบิดตานอาอไก่เปิดตาข้างในอาจรู้ความจริง